ที่จะเป็นไปเพื่อทําจากสุญานปัญญา น, นะสัมโภธายะคือความรู้ยิ่งความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานให้ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเพื่อบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานที่แท้จริงก็ต้องปฏิบัติไปตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8หรือตามโพธิปักจัยธรรมแรกตรัสรู้พระองค์ยืนยันฉันใดก่อนปรินิพพานพระองค์ก็ยังยืนยันฉันนั้นและแรกตรัสรู้พระองค์ก็สอนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่ง ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็บรรลุมรุญผลฉันใดก่อนปรินิพานพระองค์ก็แสดงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดให้สุภัททะปริภาชกฟังซึ่งท่านก็ปฏิบัติแล้วบรรลุมรุญผลนิพานฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่มีความต่างกันพระัญญาโกณทัญญะบรรลุเป็นพระอรหันฉันใดพระสุภัททะก็บรรลุเป็นพระอรหันฉันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นเหตุผลที่สองนี้มาเข้าเหตุผลสุดท้ายว่า เหตุผลสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยเคารพมากในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพัะมนุษยโลกทั้งหลายเนี่ยใครใครก็ต้องการพระสิระธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลต้องการศรีระธาตุพระองค์มากพร้อมที่จะทําสงครามกันเพื่อแย่งพระธาตุของพระองค์ทีนี้เขบอกว่าพระอนุนก็เหมือนกันนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนุนก่อนจะปรินิพพาน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 เนี่ยนะเป็นผู้ที่เรียกว่าอะไรนะอย่าศึกได้อะเพราะอะไรเพราะพวกที่มารบทั้งหมดนั้นลูกศิษย์โทนตพราบทั้งหมดเนี่ยนะก็ต้องอาจารย์ใหญ่นั่นแหละออกโรงเองนั่นแหละจึงจะจึงจะช่วยได้แล้วโทนตพรา姆เนี่ยเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นพระอนาคามีนะโทนตพรา姆นี่เป็นอนาคามีมันก่อนที่จะกล่าวถึงข้อความในมหาปริญพานสูตรข้อความที่โทนตะพรา姆อย่าศึกแล้วก็แบ่งพระาธาตนั้น มากล่าวถึงเรื่องราวของท่านที่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและตรัสรู้เนี่ยนะข้อความในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุการนิบาทข้อ36หน้า136กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จพระพุทธดำเนินเดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัทะกับเมืองเซตัพยะแม้โทนตพราหมกก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัทะกับเมืองเสตัพยะ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 คือเหมือนกับว่าให้เขาเดินชมรอยพุทธบาทไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเสรนพระองค์ก็ไปประทับนั่งที่โคนร่มไม้โทนทพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปไปพบพระองค์ซึ่งดูผุดผ่องเนี่ยนะก็พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีโดยผิวธรรมดาทั่วๆไปของพระองค์ก็ผิวเป็นเหมือนกับทองธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่เรียกว่าทองคําชมพูนุษย์อยู่แล้วและเพียบพร้อมไปด้วยมหาปริศลักษณะทั้ง32ประการมีและรสมีแพร่ซ่านออกจาก พระวรกายเมียนุพยัญชนะตกแต่งภายในพัสรีร์อีกแปดิประการเนี่ยนะแล้วก็สภาพจิตของพระองค์ล่ะอันนเป็นจิตที่เป็นมหากิริยาจิตเป็นจิตที่เป็นมหคตาจิตและโลกุตระจิตเป็นสมุทฐานนั้นอุตุโภชนะเป็นต้นในยุคนั้นนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีบุญมากไงนะพอเห็นปั๊บก็น่าเลื่อมใสรอบด้านเห็นแล้วใจเนี่ยเคราหเห็นแล้วสบายใจเลยอ่ะนะมีความสุขมากที่ได้เห็นพระพุทธเจ้า พันธุ์อินทรีย์ของพระองค์นี่ก็สงบเนี่ยนะดูจากตาแล้วสงบไม่ใช่เป็นคนตาตื่นบอกว่าความสงบบางทีเนี่ยบางทีเขาวัดกันที่อะไรที่ตาก่อนถ้าถามว่าคนเนี่ยแหมอยู่นั่งอยู่สามนาทีเนี่ยกลิ้งตาได้เจ็สิเจ็ดรอบเนี่ยยิว่าเขาเป็นยังไงสงบไหมสงบหรือฟุ้งซ่านเนี่ยนะ <S <S นก็บางทีบางแต่บางก็เป็นอย่างนั้นนะโอ้ยนั่งสวดมนต์แล้วก็ดูชมดาวชมเดือนมาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะ <S <S มันจะบอกว่าสงบเป็นจะเป็นไปได้ยังไงพรันคนที่เป็นคนที่อิน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 ภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยนะทั้งสีหน้าแววตากิริยาท่าทางเนี่ยสรุปว่าประทับใจโทนทรามเนี่ยนะที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าแต่แล้วรู้เลยว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้เนี่ยได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีนะประชาชนทั้งหลายฝึกภายนอกก็ฝึกด้วยวิชาการทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าฝึกด้วยศีลสมาธิปัญญาฝึกด้วยอรหัตตมัชอรหัตตผลฝึกด้วยอริอรหัตตมัช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 ทำให้เหมือนตอตาแล้วเคยเอาเง้าตาลไปเพาะไปปลูกได้ไหมเอาไปเบ้าได้ไหมเขาก็มีต้นไม้หลายประเภทถ้าต้นมันโตขนาดนี้เขาตีมูลค่าได้นะอย่างสมมติญญว่าต้นต้นอะไรต้นตีนเป็ดนะต้นพญาสัตบัญใบเจดใบเนี่ยนะเขาก็เอาต้นโตๆตตนะไปตัดแล้วก็เบ้าเอาเพาะไปปลูกแต่เบ้าต้นขนาดนี้ราคาห้า0 0ื่นต้นขนาดนี้ราค า, ากีาหมื่นก็ว่ากันไปเขาบอาเอาเบ้าเอาไปปลูกได้ไปขอซื้อเงาตาลมาปลูกมั้ง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 พออยู่พ้นน้ำโผล่ออกมาบานแล้วเนี่ยน้ำก็ไม่คำซาบเข้าไปฉันใดตัวเราเองก็ฉันนั้นเกิดขึ้นในโลกเติบโตมาแล้วในโลกแต่เราก็อยู่เหนือโลกนอยู่เหนือโลกพ้นจากโลกหมดแล้วโลกไม่เข้ามาคาซาบใจของเราได้อีกต่อไปคนะำซาบด้วยการาคะปฏิฆะคำซาบด้วยอกุสลธรรมทั้งหลาย กาทราบใจเราไม่ได้อีกแล้วแน่พรามสรุปว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้อริยสัจทั้งสี่ประการ